ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะประพระบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวันน า, นาพระอมราพิรษิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาสรัจนาต่อไปจะแสดงอันโตวุทธะยาวกาลิกยามะกาลิกสองอย่างนี้เก็บไว้ในอัตติยาุดี ชื่อว่าอันโตวุฒะหมายถึงเก็บไว้ในภายในหุงต้มให้สุกในอากับยักกูดีนั้นชื่อว่าอันโตปกกะก็คือที่ตุผงต้มให้สุกเองชื่อว่าสามารถปรกกะอันโตปกกะนี่หมายถึงให้สุกในภายในสามารถปรกกะนี่หมายถึงให้สุกเองทั้งสามสิ่งนี้ฉันเข้าไปต้องอาบัตทุกกดสามตัวเลย ก็คือเอายามะกาลิศสิ่งที่เป็นอาหารสับยามะกาลิศสิ่งเป็นน้ําผลไม้เนี่ยเป็นน้ำประนะอาไเก็บไว้ในอัตติยะกุดีชื่อว่าเป็นอันตวุฒะด้วยเก็บไว้ในภายในชื่อว่าเป็นอันโตปกะกาศถ้าไปหุงในอัตติยะกุดีนั้นไปหุงทําให้สุกเป็นอันโตปกะกาแล้วก็ถ้าทําให้สุกเองก็ชื่อว่าสามาประกาศด้วยฉันก็ไปต่อบอาตทุกกดสามตัว ฉันแต่สองสิ่งต้องทุกกดสองตัวฉันแต่สิ่งเดียวต้องทุกกดตัวเดียวด้วยตรงห้าไว้ว่าณนะพิฆเวอันโตวุฒังอันโตปกังสามะปักกล ง, รงปริพุนชิตบังก็ความละอันโตนเจตนนกกตาาเพิขเววุฒังอันโตปักกลงสามะปักกลงตัญเจปริพุนชัยะอปาติตินนังดุกตาณังบะหิเจพิขเววุฒังก็ความละอนาปาติ ดังนี้ทิศตุจะหุงต้มซึ่งอาเมสิ่งใดทิ่หนึ่งไม่ควรจะหุงต้มอุ่นซึ่งของที่สุกอยู่แล้วอย่างเดียวจึงควรถ้าแลทายกเขานปนกระเพราหรือขิงหรือว่าเกลือลงในข้าวต้มร้อนให้แก่ทิศตุไซแม้ทิศตุจะัะคนจะสั่นข้าวต้มนั้นไม่ควรจะทำใหุ้กไม่ควรแต่จะัะคนด้วยคิดว่าจะให้ข้าวต้มเย็นควรอยู่ก็คือ คุยๆเพื่อจะให้ข้าวต้มเย็นนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าจะให้พวกผักชีพวกผักที่ยังไม่สุกหรือว่าขิงอะไรต่างๆให้สุกอันนี้ไม่ได้ไม่ควรแม้ได้ข้าวท้องเรนมาจะปิดไว้ให้ระ ง, งมให้สุกก็ไม่ควรถ้าแลทายกเขาปิดถวายควรอยู่จะปิดด้วยคิดว่าจะไม่ให้เข้าสุกเย็นเสียก็ควรแต่นมสดและเปรียงเป็นต้น เมื่อเดือดพุ่งทีหนึ่งแล้วจะติดไฟควรอยู่เพราะของสุกแล้วจะให้สุกอีกได้อยู่ด้วยพระองค์ทรงอนุ ญ, ญาตว่าอนุชานามิพิขเวเข้าความละปูณะปากังปจิ ต, ตุนดังนี้ก็คือทำสิ่งที่สุกแล้วให้สุกไม่ก็ได้จัดแสดงในกัปติยกุดีซึ่งเป็นที่ทาอามิ t ให้พ้นจากอันโตวุฒะอันโตปะกะถ้ามีกัปติยกุดีนี่เอาพวกยามะกาลิ พวกยาวาคาลิตยามะกาลิตเนี่ยเอาไปเก็บไว้ในกับยกวณีนี่ก็ไม่เป็นอันโตวุฒิแล้วก็ไม่เป็นอันโตปะกะด้วยพระองค์ทรงอนุญาตไปว่าอนุชานามิพิทเวข้อความละจตะตัดโสกับยะภูมิโยอุตสาวนันติกังโคนิสาดิกังขหปติกังสัมมติกังแปลว่าเราตถาคตอ น, อนุญาตกับยัคภูมิ ที่ควรเก็ดและหุงต้มอามิตได้สี่อย่างคือหนึ่งอุตสาวะนันติกาที่มีอันให้ได้ยินขึ้นเป็นที่ตุดสองโคโนิสาติกาที่ดุดโคโนั่งหรือว่าโคโจอมสามกษรปฏิกาที่เป็นของกริยพดี 4. สี่สมมติกาที่อันสงสมมติไว้จะว่าด้วยอุตสาวะนันติกาก่อนพึงทำดังนี้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 จะให้เสาและเชิงฝาตั้งลงพึงถูกต้องหรือว่ายกขึ้นเองซึ่งเสาและเชิงฝาตั้งลงแต่ว่าในกุรุนทีและมหาปัญจลีกล่าวว่าให้พิจูุทั้งหลายพึงกล่าวว่ากับปิยะกูดีกับปิยกุ ด, กกดีดังนี้แล้วก็ตั้งลงในอันทะกัตถะกถาวา่าให้พิจูพึงกล่าวว่าสังคสสะกับปิยะกุติงอธิษฐานะข้าพเจ้าขออธิฐานกับปิยกุดีของสง ดังนี้แต่แม้จะไม่กล่าวคํานั้นและกล่าวตามอย่างดังว่าแล้วในอัตกถาทั้งหลายก็ไม่มีโทษแต่ว่าอันนี้เป็นลักษณะทั่วไปในอัตกถาทั้งหลายนั้นคือลักษณะของกับยกควดีที่เป็นอุสาวนาติการที่ลักษณะอย่างนี้ก็คือตั้งเสาลงถึงพื้นกับจบสุดคําพร้อมคราวเดียวกันจึงควรคําว่ า, ากับยัควดิงกโรมาเนี่ยนะ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 จบคำกับเสาตั้งลงถึงพื้นแห่งเธนแม้องหนึ่งจะพร้อมกันเข้าในคราวเดียวได้เป็นแท้แต่ในกุฏีฝาจะทำด้วยอิฐหรือว่าศีดาหรือว่าดินก็ดีจะก่อถมขึ้นหรือว่าไม่ถมขึ้นก็ตามปราธนาจะตั้งฝาขึ้นแต่อิฐและศิดาและก้อนดินใดพึงถือเอาอิฐหรือศีดาหรือว่าก้อนดินทั้งสวงนั้นเป็นที่แรกเป็นสาคัญ จึงทงกับปิยกุดีโดยในดังกล่าวแลเธอด้วยว่าอิฐและตีลาและก้อนดินที่อยู่ข้างใต้แห่งอิฐและติลาและก้อนดินซึ่งเป็นที่แรกตั้งฝานั้นไม่ควรคือว่าเป็นของจมอยู่ในดินแต่เสาวนั้นสูงขึ้นมาบนดินเพราะเหตุนั้นจากจับเสานั้นกล่าวว่ากับปิยกูดีกรโรมะจึงควรในอันทะกัตถกถ า, ถ า, ถากล่าวว่า กูดีเมื่อจะทําด้วยเสาทั้งหลายพึงอธิษฐานเสาทั้งสี่ต้นในมุมทั้งสี่เมื่อจะทำด้วยอิดเป็นต้นก็พึงอธิษฐานอิฐสองสามแผ่นในมุมทั้งสี่แต่แม้เมื่อไม่ทําเช่นนั้นก็ไม่มีโทษด้วยว่าคําซึ่งกล่าวในอาต伽ถาทั้งหลายนั่นแหละเป็นประมาณอันนี้ก็เป็นอุสาวนาณิการพรให้ได้ยินเสียงขึ้นเป็นที่สุดเสียงว่าอับยักุติงกะโรมะอับยะ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 คนนิสสันิกานี้ไม่ได้ต่อไปจะว่าด้วยกับปยภูมิชื่อข้าหะปติกามนุษย์ทั้งหลายตั้งอาวาสและกล่าวว่าข้าพเจ้าถวายกับปยกุดีท่านจงบริโภคเถิดดังนี้กับปยกุดีนั้นชื่อว่าข้าหะปติกาแม้เขากล่าวว่าข้าพเจ้าถวายเพื่อทํากับปยกุดีดังนี้ก็ควรแท้แต่ในอันท่ากัตถกถา ก, ก, กล่าวว่า รับประเคียนแต่มือแห่งสาธทมิกอันเศษก็คือภิกตุนีทิรมนาธรรมเนรธรรมเนรีดยกภิกตุเสียและรับประเคียนแต่มือแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงก็ดีและสันนิธิและอันตวุฒะซึ่งเป็นของแห่งสาธทมิกอันเศษและเป็นของแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงนั้นย่อมควรแต่ภิกตุเพราะเหตุนั้นแลเรือนแห่งคนเหล่านั้นเป็นต้นว่าศาสรมิกอันเศษก็ดี หรือกัปปิยะกุฎีที่คนเหล่านั้นถวายก็ดีชื่อว่าขหะัติกาในอัตถกาานั้นท่านกล่าวอีกว่ายกแต่วิหารแห่งพิกจุสงเสียที่อยู่แห่งนางพิกจุณีหรือที่อยู่แห่งคนรักษาวัดหรือที่อยู่แห่งเดียรถีแห่งเทวดาแห่งหนาอันหนึ่งแม้วิมานแห่งทมก็ดีชื่อว่าเป็นกัปปิยะกุฎีชื่อว่าเป็นกัปปิยกุฎีได้ทั้งนั้นเลยเป็นประเทศขะหะปติกา คำในอันท่ากัตสังกฐานี้ชื่อว่าท่านกล่าวดีก็คือใช้ได้ถูกต้องด้วยว่าเป็นของสงหรือเป็นของพิสุอย่างเดียวไม่ชื่อว่าเป็นค้าปฏิกุดีได้ก็คือเป็นกัตปยะกุดีที่ชื่อว่าค้าปฏิไม่ได้ถ้าเป็นวิหารของสงหรือว่าเป็นของพิสุสติวิหารของพิสุของสงเนี่ยเอามาทำเป็นค้าปฏิตาไม่ได้ แต่ว่าของคนอื่นนอกนั้นสาธารณที่เหลือได้หมดแม้กระทั่งวิมานพมก็ยังได้กับอิยาคุดีอยา่างที่สี่จะว่าด้วยกับอิยาภูมิชื่อว่าสัมมติกากับอิยกุดีที่สงส่วนสมมุติ ด, ด้วยยติทุติยกรรมวาจาชื่อว่าสัมมติกาเดิมเหตุพระองค์จะทรงอนุญาตกับอิยกุดีชื่อว่าสัมมติกานี้ตรัสแก่พระอานอนทิระว่าดูกรอานอนท์ ถ้ากระนั้นสองจงสมมุติวิหารคือกูดีตั้งอยู่ในที่สุดให้เป็นกัปปิยะภูมิแล้วให้ทายกเอาอามิดเข้าอยู่ในกัปปิยะภูมินั้นสงจะจำนงเสนาสนะใดเป็นวิหารหรือว่าอัทธโยคะหรือปราสาหรือว่าหัมมิยะก็ตามเพืงสมมุติกัปปิยภูมิดังนี้ให้ภิสุผู้ชราชสามารถยังสงให้รู้ด้วยก ร, รมวาจาดังนี้ว่า ตุมาตุเมผันเตตั้งโฆอิทัณนามังวิหารังกัปยภูมิงสัมมันนยญก็คำละทารยามิในอัตถกษถาว่าคำซึ่งว่าปัจจันติมังว่าวิหารตั้งอยู่ในที่สุดนั้นเป็นศัพท์แต่ว่าคำกล่าวดอกแต่เพราะพระองค์กล่าวว่าสงจักจำนงเสนาธนาไหนจะเป็นวิหารหรือว่าอัธโยคะ เป็นต้นประตามดังนี้แม้จะสมมติกุดีใกล้ก็ควรและจะไม่กล่าวกรรมาวาจาแม้จะสมมติกัปยกุดีนี้ด้วยอัปโลกนกรรมก็ควรแท้ก็ใช้ได้นะจะสมมติด้วยยติทุริยกรรมาวาจาหรือว่าจะทำอัปโลกนกรรมก็ได้ก็แลอามิต h อันใดที่อยู่ในกัปยภูมิทั้งสี่ดังกล่าวมานี้อามิตทั้งภูมินั้นไม่ถึงซึ่งอันนับว่าเป็นอันโตวุฒะ คือไม่ใช่เป็นการเก็บไว้ในภายในที่ไม่สมควรแต่ว่าเป็นสิ่งที่สมควรพระองค์ทรงอนุญาตกับยัคภูมิสี่อย่างนี้เพื่อจะให้พ้นจากอันโตวุ ธ, ธะแล้วก็อันโตปะกะแก่ทิษุและทิสุนีทั้งหลายแต่อามิสอันใดเป็นของสงหรือเป็นของบุคคลอยู่ในเรือนคือเศนาสนะอันพอจะให้เป็นสหาเสยยะในอาตับยัภูมิแม้จะตั้งไว้สักคืนหนึ่งในที่เช่นนั้น อา mith อันนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นอันโตวุฒะหุงต้มในที่เช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นอันโตปะกะด้วยอา mith น, นั้นไม่ควรแต่สัตตหาการิษมีเนยใสยเป็นต้นและยาวะชีวิตย่อมควรคือว่าเก็บไว้ในที่เช่นนั้นได้ก็คือจะไปเก็บไว้ในอกักขปิยะกุติก็ไม่เป็นไรสำหรับสัตหการิษกับยาวะชีวิตไม่เป็นอันโตวุฒะไม่เป็นอันโตปะกะจากวินิจฉัยในเนื้อความเหล่านั้น เหมือนสามนเณรเอาอามิตเป็นต้นว่าข้าวสารของพิจุไปเก็บไว้ในกัปยะกูดีพอรุ่งเช้าหุงมาถวายอามิตรนั้นก็ไม่เป็นอันตตุธะเพราะว่าไปเก็บไว้ในกัปยะกูดีที่สมควรแต่ว่าเอาสัตตหาการฤิ์เป็นต้นว่าเนยไสสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเก็บไว้ในอากัปยะกูดีไปเจือลงในอามิตรนั้นด้วยแล้วก็เอามาถวายชื่อว่าเป็นมุขะสันนิชิ ไปเอาสัตว์หักกาลิที่ไปเก็บไว้ในอากับยกุดีมาปนกับอามิต ท, ที่เก็บไว้ในขับยักุดีมันก็เลยกลายเป็นมุขสันนิธิแต่ในมหาปัญจรีว่าเป็นอันโตวุทถะก็คือไปเก็บไว้ในอากับยกุดีที่ไม่สมควรนั่นเองในคําเหล่านั้นแปลกันแต่เพียงชื่อเท่านั้นเองก็คือเป็นสันนิธินั่นแหละอันโตุท ธ, ธะอันเดียวกันเทกยบตูเอาเนยใสซึ่งเป็นสัตว์หากาลิท และใบไม้ซึ่งเป็นยาวะชีวิตเก็บไว้ในอัตตญญาคูดีเจี่ยวด้วยกันไว้บริโภคของนั้นควรฉันก่บจากอมิตรได้เจ็ดวันเพราะว่าเป็นศาตร์ตหางาลิบกับยาวัชีวิตแม้จะเก็บไว้ในอัตตพิญคุดีก็ไม่เป็นไรไม่ชื่อว่าเป็นอันโตุทะถ้าทำเนยไส้และใบไม้นั้นให้ระคนกับอมิตรบริโภคนี่จึงจะเป็นอันโตุทะด้วยเป็นสามะปะกะด้วย ความรวบรวมระคนิปนกาลิ์กังปวงให้พึงรู้โดยอุบายนั้นเถิดนั้นก็ต้องดูว่าเป็นอะไรเป็นสัตหากาลิกเป็นยาวะชีวิตเก็บไว้ในอากาศพิยักุดีได้แต่ถ้าเอาไปปนกับยาวะก า, าะริกเมื่อไรอันนี้ก็กลายเป็นสันิธิไปกลายเป็นอนตุวักไป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 เสาเชิงฝาเหล่านั้นหมดไปสิ้นไปหมดแล้วก็กลายเป็นอัคคียกุตีมละที่ก็มละวัตถุมละที่ไปถ้าแนคนทั้งหลายเขาผลักเสาและเชิงฝาเสียสาและเชิงฝาอันใดยังตั้งอยู่ความที่เป็นกัคคียกุตีก็ตั้งอยู่ในเสาและเชิงฝาอันนั้นเมื่อเสาและเชิงฝาทั้งปวงขอผลักให้ล้มเสียหมดกัคคียกุตีนั้นชื่อว่ามละวัตถุมละที่ แต่กุดีที่เขาก่อด้วยอิฐนั้นเมื่อชิพหายทั้งหมดจนถึงอิฐหรือศีราหรือก้อนดินที่แรกที่ก่อขึ้นบนฐานเพื่อจะเป็นฝาหมดแล้วเมื่อใดเมื่อนั้นจึงชื่อว่ามะละวัตถุมะละที่คือไม่เป็นกัปปิยะกุดีแต่อิฐและสิดาและก้อนดินที่แรกที่อดิฐานไว้นั้นแม้เขาหรือถอดเอาไปเสียอิฐเป็นต้นที่เขาก่อฝาอันอื่นยังมีอยู่ ก็เป็นกับปิยะกุดีนั้นก็ยังคงอยู่ในอิฐหรือสิราหรือว่าก้อนดินอื่นนั้นยังไม่ชื่อว่ามละที่ไปวัตถุที่เอามาตั้งไว้น่นแหละที่เอามาตั้งไว้แล้วก็เปล่งวาจาว่ากับปิยะกุฎีกรโรมะนั่นแหละวัตถุนั้นน่ะเมื่อมันมรรคไปหมดแล้วก็ถึงจะเสียความเป็นกับปิยะกุดีไปกับปิยะกุดีชื่อว่าโคนิสาดิกานั้น เมื่อเขาล้อมวัดด้วยกำแพงเป็นต้นเข้าแล้วก็ชื่อว่ามาลาวัตุกลับเป็นอากัปปิยะกูดีไปควรจะได้กับปิยะกูดีอย่างอื่นในอารามนั้นใหม่ถ้าแม้กำแพงวัดเป็นต้นหักขาดในที่นั้นๆโคทั้งหลายเข้าได้แต่ที่นั้นๆก็เป็นอากัปปิยะกูดีอีกก็แปลกนะเนี่ยหมายถึงว่าถ้าไม่ล้อมรัวเมื่อไหร่ถึงจะเป็นกัปปิยะกูดีวัดล้อมรัวก็กลายเป็นอากัปปิยะกูดีไป แต่กับเยอ่คุดีทั้งสองนอกนั้นก็คือสชาปฏิกากับสมมติกาเนี่ยเมื่อหลังคาทั้งพวงคิบหายเปิดหมดแล้วหรืออยู่แต่มาดรวัดกรอนจึงเป็นอันมะละวะัตถุถ้าปักขะตาสะกะมนทนแม้อันหนึ่งในเบื้องบนแห่งกรอนทั้งหลายยังมีอยู่ก็ยังรักษาอยู่ยังไม่มะละวัตถุ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 แก่ว่าทิศุพึงให้อามิตแก่อนุสัมบัณฑเสียทาให้เป็นของอนุสัมปันฑเสียให้ขาดอาลัยแล้วบริโภคเถิดก็ให้สรมเนจรไปหรืว่าให้คนวัดไปแต่ว่าคนวัดสรรมเนจรเหล่านี้ก็ต้องฉลาดเหมือนกันนะนะทัตุให้ไคก็เลยฉันหมดเลยทิศุก็เลยอดก็ต้องมีการศึกษามีการให้เรียนรู้เรื่องกับยัภูมิว่าถ้า ม, มีกับยัคภูดีเหล่านี้แล้วจะต้องทําอย่างไร ก็ให้สามเณรสามเณรก็ต้องฉดากเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ทําให้เป็นกัปิยะให้สมควรถวายกับพิกสุโดยที่ไม่ให้พระพิสุมีอะไรกขปิยะภูมิจัตถาจบจัตเตแดงของฉันเล็กน้อยที่พระองค์ทรงอนุญาตไว้ในเพัชั้นตระกัที่ควรจะพึงรู้ข้อหนึ่งที่สุเป็นโรครมพระองค์ทรงอนุญาตให้หุงน้ํามัน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 ข้อหนึ่งทรงอนุ ญ, ญาตให้พิสุถูกงูกัดฉันยามหาวิกัดสี่อย่างดังกล่าวแล้วข้อหนึ่งทรงอนุ ญ, ญาตให้พิสุที่ดื่มยาพิษเข้าไปแล้วให้ดื่มคูดที่เจือน้ําเอาคูดไปเจือน้ํามี่ อ, อ้วกแน่นอนเลยยาพิษมันจะได้ออกมาให้ดื่มคูดกินแล้วแล้วก็ทรงอนุ ญ, ญาตว่าเมื่อทํารับสิ่งใดอยู่สิ่งอันนั้นเป็นอันทําซึ่งอันรับแล้วอย่าพึงกลับรับอีกเลยหมายถึงว่ากุจระเลยนะ สามารถถือเอาได้เลยสามารถถือเอาไม่ต้องรับประเคนถ้าขวดนั้นตกถึงพื้นแล้วให้พึงรับประเคนใหม่แต่ยังไม่ถึงพื้นจะถือเอาควนโยข้อหนึ่งต้องอนุญาตให้ปิจุที่เป็นอาพาธด้วยต้องยาแฝดให้ถือเอาดินติดฐานไถนํามาละลายน้านําดื่มกินนี่ก็แก้โรคยาแฝดคนมาทําสนียาแฝดต่างๆนี่ก็ให้เอาดินติดฐานไถนี่มา ละลายน้ำดื่มกินได้ข้อหนึ่งทรงอนุญาตให้ดิตุกไข้าทาทธาตุเสียขับหนักอุจจาระออกยากเป็นพวกเถาดานให้ดื่มกินน้ำด่างอามิตรน้ำด่างนั้นที่เขาเอาข้าวตุกเผาไฟให้ไหมเป็นเท่าแล้วก็เกะกรองชื่อว่าน้ำด่างอามิตรเอามาดื่มทำให้ระบายได้นะทำให้ระบายทัดหนักเหล่านี้อุจจาระไม่ออกออกยากก็ได้ทำให้บาบางได้ ข้อหนึ่งส่งอนุ ญ, ญาตให้พิจูเป็นโรคผอมเหลืองดื่มกินน้ำสมอดองด้วยมูดโค ข, ข้อหนึ่งส่งอนุ ญ, ญาตให้พิจุมีกายอันหนาได้โทษดื่มกินยาประจุข้อหนึ่งพิจูต้องการด้วยอัจฉกันชิกะก็คือน้ำสาวข้าวที่ใสพระองค์ก็ส่งอนุ ญ, ญาตข้อหนึ่งพิจูต้องการด้วยอะตะตะยูตะคือน้ำดื่มเขาทำวิเศษด้วยมูดไม่สนิท พระองค์ก็สรงอนุญาตข้อหนึ่งที่ตุตต้องการด้วยกตากะตะคือน้ำดื่มเช่นนั้นที่สนิทน้อยหนึ่งพระองค์ก็ทรงอนุญาตข้อหนึ่งที่ตุตต้องการด้วยปฏิจฉาดนิยะคือน้ำเนื้อต้มแก็คือเคี่ยวหรือว่ากลันก่นฝกซุบพระองค์ทรงอนุญาตข้อหนึ่งพระองค์ตรัสว่าถ้าเขาเจือแป้งและเท่าลงในน้ำอ้อยเพื่อผูกพันคือจะให้เหนียวแน่นจะให้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 ทุกเจ้ก็อนุญาตนะว่าถั่วแม้ก็ทั้งไปต้มแล้วมันก็ยังสามารถมเมล็ดนี่มันก็งอกขึ้นได้มันก็ฉันได้ทรงอนุญาตให้พิจูเป็นไข้ด้วยโรคลมในท้องบริโภคยาโลนะโสจิรกะถ้าไม่เป็นไข้ให้เือน้ําบริโภคด้วยบริโภคดังปานะน้ําดื่มข้อหนึ่งทรงอนุญาตน้ําอ้อยก้อนแก่พิจูไข้ถ้าไม่เป็นไข้ให้เจือด้วยน้ําดังกล่าวแล้วในก่อนให้ละลายน้ำฉันถ้าไม่เป็นไข้ถ้าเป็นไข้ก็เคี้ยวกินได้เลย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 จึงทูลความแด่พระองค์พระองค์จึงทรงอนุญาตว่าอนุชานามิภิกขเวอภีชังนิปตะพีชังอาตตะกับปิยังพลังปริภุณชิตุงแปลว่าเราตถาคตอนุญาตให้ฉันผลไม้ที่ไม่มีพืชคือยังอ่อนอยู่ไม่งอกหนอได้และผลจะพึงปล้อนเอาพืชออกเสีย ด, ดังขนุนเป็นต้นถึงไม่ได้ทำกับปียะก็เอาเถิด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 ถ้าฉันต้องทุกโกรธเราวนั้นหมู่ทายกพวกหนึ่งถวายสังมพัสเอาชิ้นมะม่วงปนในถูปะมาด้วยพิสุททั้งหลายก็รังเกียจไม่รับพระองค์ก็ตรัสว่ารับเธอฉันเธอแล้วก็ทรงอนุญาตว่าอนุชานามิพิกเวก็ความละอัพภะเปติกามก็อนุญาตชิ้นมะม่วงคราวนั้นทายกหมู่หนึ่งก็ถวายสังมพัสใหญ่โตเขาทั้งหลายนั้นไม่ทันจักทาชิ้นมะม่วงจึงอังคาาผลมะม่วงทั้งลูกในโรงฉัน พสูตทั้งหลายก็รังเกียจอยู่ไม่รับพระองค์ก็ตรัสว่ารับเธอฉันเธอแล้วกรองอนุ ญ, ญาตว่าอนุชานามิธิกเวก็ความรักปัญจะหิตสมณะกับเตหิพลังปริคุณจิตุงอัคิปริจิตตังตัฏฐะปริจิตตังนักขะปริจิตตังอะพีชันนิ ป, ปะตะพีชันเยวะปัญจมังแปลว่าเราจะถ่ายพอนอนุญาตให้บริโภคผลม้ด้วยสมณะกับปา ก, กรรม ที่ควรแก่สรรมะห้าอย่างก็คือผลจดด้วยไฟผลจดด้วยตาตราผลจดด้วยเล็บแล้วก็ผลไม้ไม่มีพืชและผลที่มีพืชจะพึ่งปล่อนเข้าได้เป็นที่ห้าในอภิคถาปูตคามัสขาบทประชัดอาลบาลีนี้ไปกล่าวว่าพืชมีรากไม้เป็นต้นที่เกิดอยู่ในที่ชื่อว่าปูตคามเป็นวัตถุแห่งปานพิตรี เพื่อ น, นั้นเมื่อพลาดให้พ้นจากที่แล้วชื่อว่าพีชคามเป็นวัตถุแห่งทุกกฏพีชะคามนั้นเมื่อจะบริโภคพึงใช้อนุสับันว่ากับปียังกะโรฮิตบอกกับอนุสบันนะเธอจงทําให้สมควรเธอจงทําให้เป็นกับปิยะดังนี้เสร็จอีกแล้วจึงบริโภคเมื่อเป็นเช่นนี้ชื่อว่าให้พ้นจากพีชะคามก็แลจะทํากับปียะนั้นจึงทําด้วยไฟหรือศาสตราหรือว่าเร็บ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 เว้นแต่กีบโครหรือว่ากีบกระบือเป็นต้นเสียเล็ดนอกนั้นโดยที่ตัดตัดเอามาก็ได้พึงทําตัวอย่างซึ่งว่าแล้วในศตรานั้นเถิดพริกสดเขาปนในข้าวต้มมาไม่ติดเนื่องกันพึงแทงทุกๆเม็ดจะแทงได้ยังไงเนาะก็มันไม่ติดกันแล้วก็เป็นน้ําด้วยแล้วก็ทําได้ก็คือว่าเทลงในข้าวสุกเทลงในข้าวสวยตักขึ้นมาเทในข้าวสวยแล้วก็ ให้มาทํากับพิยะที่เข้าสวยแทงที่เข้าสวยก็ได้ทํากับพิยะเสียผลมะเกดเป็นต้นพืชข้างในหลุดจากกลาทลอนอยู่พึงให้ตล่อยออกแล้วก็ทํากับพิยะถ้าติดกันอยู่ใต้จะทําแม้ในกลาก็ควรก็อแหล่ผลอันใดเป็นของอ่อนไม่มีพืชและผลใดที่พืชปล่อนออกเสียบริโภคได้กิจที่จะทํากับพิยะในผล น, นั้นไม่มีเพราะฉะนั้นก็ พวกมะม่วงพวกส้มต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่มีผู้ที่ทำกับิยะให้ก็จะปล่อนมเมล็ดออกแล้วก็ฉันอันนี้ก็ไม่เป็นไรด้วยทรงอนุญาตเท่านี้พึ่งรู้เถิดว่าผลมะม่วงและผลไม้อื่นและพีชกรรมทั้งปวงอ่อนและแก่ใดๆเป็นของควรตามการแห่งตนแห่งตนนั้นกุท ธ, ธะตต ะ, ะถาจบเรื่อ ง, องของฉันเล็กน้อยต่อไปก็จะแสดงในมหาประเทศตี มีพระบาลีว่ายังพ ang. an ah ิฆเวมยาอีดังนักปตติอปติกิตังตังเจอกับปิยังอนุโลเมติกับปิยังปฏิบาหติตังโวนะกับปติก็ความละยังพิฆเวมยาอดังกับปติติอนนญญาตังตัเจกับปิยังอนุโลเมติอกับปิยังปฏิบาหติตังโวกับปติความว่า ดูก่อนที่สุดทั้งหลายครับพี่เนิงของสิ่งใดที่เราตถาคตยังไม่ได้ห้ามว่าสิ่งนี้ไม่ควรถ้าของนั้นอนุโลมตามของที่เป็นอกตพิยะย่อมห้ามเสียซึ่งของที่เป Parr ็นอกตพิยะไซของนั้นไม่ควรแก่เธอทั้งหลายปฏิทสองอันหนึ่งของสิ่งใดที่เราตถาคตยังไม่ได้ห้ามว่าสิ่งนี้ไม่ควรถ้าของนั้นย UM ่อมอนุโลมตามของที่เป็นอกตพิยะย่อมห้ามซึ่งของที่เป็นอกตพิยะไซ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 ถ้าเข้ากันได้กับสิ่งที่เป็นศัพท์ยะแม้ไม่ได้ห้ามหรือว่าไม่ได้อนุญาตไว้ก็ควรแต่เธอทั้งหลายแต่ถ้าเกิดเข้ากันได้กับสิ่งที่เป็นอัตถิยะขัดกันกับสิ่งที่เป็นศัพท์ยะถึงแม้ไม่ได้ห้ามไม่ได้อนุญาตไว้ก็ไม่ควรแก่เธอทั้งหลายในอาติยถาว่าพระองค์ทรงสแสดงมหาประเทศสี่นี้เพื่อจะให้พิสุท์ทั้งหลายหรือเอาในคือให้เป็นตัวอย่างก็จะเทียบเคียนนั่นเองถ้าธรรมสังฆาหะตะเทระทั้งหลายท่านถือเอาตูด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 เพราะเหตุนั้นมหาผลและอปรรณชาติทั้งปวงย่อมไม่ควรในปัตชาภัสพระองค์ทรงอนุ ญ, ญาตอัฐบานน้ําดื่มแปดไว้แล้วส่วนน้ําดื่มทําด้วยผลไม้เล็กนอกนั้นเป็นต้นว่าลูกหวายมะขามมะงูมะขีดตะเค้อเล็บเหยี่ยวเหล่านี้ก็เป็นคติแห่งอัฐบานแปดแท้น้ําดื่มทําด้วยผลเล็กนั้นแม้ถึงพระองค์ไม่ได้ตรงอนุ ญ, ญาตก็จริง แต่ย่อมอนุโลมตามของที่เป็นกัตติย ะ, ระเรสนั้นน้ํำดื่มทําด้วยผลเล็กนั้นย่อมควรด้วยว่ายกรถผลแห่งข้าวเปลือกกับทั้งอนุโลมเสียน้ํำดื่มทําด้วยผลอื่นชื่อว่าไม่ควรนั้นไม่มีเป็นยามากาลิศได้แท้คานี้กล่าวไว้ในอัจฉริยกุรุนทีและพระองค์ทรงอนุญาตจีวรหกอย่างก็คือผ้าโขมะทําด้วยเปลือกไม้พอด้วยเปลือกไม้ กับปาสิกะปะทอด้วยฝ้ายโกสย ะ, ะทอด้วยไหมกัมพละปะทอด้วยขนสัตว์ยกเว้นผมมนุษย์เพรขนหางสัตว์สานะปะทอด้วยเปลือกสานะแล้วก็พังค ะ, ะทอด้วยได้ห้าอย่างนั้นระสมกันอนุญาตไว้ดังนี้ถ้าธรรมสังขหกเถระทั้งหลายท่านก็อนุญาตถ้าอื่นอีกหกอย่างก็คือถ้าทุกกูละถ้าปะคุณนะถ้าจีนปะตะถ้าโสมาระประตะ ถ้าอิทธิมจิกาแล้วก็ภาพเทวทัตติยะเหล่านี้ก็ให้เป็นอนุโลมแก่จีวรหกอย่างเดิมนั้นผ้าที่เกิดด้วยตัวสัตว์ในปะกุณะประเทศชื่อว่าปะกุณะและผ้าจีนัปะตักโสมา ร, ประปตะสองนี้ก็เรียกตามชื่อแห่งประเทศผ้าสามอย่างก่อนนั้นเป็นอนุโลมผ้าโกสยะผ้าทุกกุระเป็นอนุโลมออกับผ้าสารนะ ผ้าสองอย่างนอกนั้นก็เป็นอนุโลมของผ้าตับปาสิกะหรือเป็นอนุโลมของผ้าทั้งปวงก็ได้พระองค์ทรงห้ามว่าบาดสิบเอ็ดอย่างเป็นต้นว่าบาดไม้ทรงอนุญาตบาดสองอย่างก็คือบาดเหล็กกับบาดดินส่วนฐาลกะก็คือภาชนะเครื่องใช้ที่ทำด้วยโลหะหรือทำด้วยดินทำด้วยทองแดงสามอย่างนี้เป็นอนุโลมบาดสองอย่างนั้นแท้พระองค์ทรงอนุญาต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 และประคตเย็บทอดังไส้หมูไว้ดังนี้ต่วนประกคตทำด้วยแผ่นผ้าและทำด้วยเชือกว่าเป็นอนุโลมประคตสองอย่างเท่านั้นพระองค์ทรงอนุญาตร่มฉับสามอย่างคือร่มหุ้มผ้าขาวและร่มสาดด้วยตอกไม้ไผ่และร่มทำด้วยใบไม้ไว้ดังนี้ร่มใบไม้แต่อย่างเดียวดังใบตาลใบลานว่าเป็นอนุโลมในร่มสามอย่างนั้นแท้ แม้ของอื่นซึ่งจะเป็นอนุโลมของที่เป็นกัปยะและอกัิยะนักปราดพึงตามดูพิจารณาซึ่งบาลีและอัตถกถารู้ให้แจ้งโดยในดังกล่าวมานี้เถิดนี่ก็เป็นเรื่องของมหาประเทศจบจะตุดถังกาลิกะปับบังจบข้อว่าด้วยเรื่องของการฤิกตีวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านทั้งหลายผู้ที่เอื้อเฟื้ออนุเคราะห์มีศรัทธาในการที่จะศึกษา พระวินัยซึ่งเป็นอาทิศีลศิษาเพื่อคูณแก่อาทิจิตอาทิปัญญาก็ขอให้ท่านได้พรั่งท้อมด้วยศิษา3สามบริบูรณ์ในใจิตใจแล้วก็ตัดรู้อริยตัดจธรรมเป็นสาวกของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าในคไม่เนิ้นช้านี้ด้วยเทิดสาธุสาธุสาธุ